พรุ่งนี้ก็ได้เวลาไม่ทํางานต่อเวลาแห่งความสุขสั้นเสมอจะไปเผชิญความจริงของชีวิตวุ่ยพรกันก็สนุกดีมันไม่ค่อยจริงความจริงแล้วโลกนี้เป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจเราก็มีความสุข ไม่เข้าใจนะแล้วก็ทุกไปกับมันด้วยปีใหม่ปีเก่าไม่สำคัญเท่าไหร่นะสมมุติเอาส่วนที่สำคัญก็คือมันเป็นเครื่องวัดระยะทางเราเดินทางในชีวิตนี้มาอีกก้าหนึ่งแล้ววันข้างหน้ายังไม่รู้เหลือเท่าไหร่ เราใช้เวลาของเราให้มีค่านะเวลาถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความมีสติมีปัญญานี่มีชีวิตปันเดียวก็มีราคามากมีคุณค่ามากนะหรือเราเอาเวลามาอย่างน้อยมาฟังธรรม เ, เวลาที่ได้ฟังธรรมเป็นเวลาที่มีค่ามากมเป็นเวลาที่มีคุณประโยชน์ เมื่อส0สิปีก่อนหลวงพ่อก็อ อ, อกไป ห, หาครูบาอาจารย์ไปเรียนธรรมะกับท่านเวลาผ่านมานานๆนึกถึงที่ไรก็รู้เลยว่าเวลาที่ได้ฟังธรรมกับท่านเป็นเวลาที่มีค่ามากเลยเวลาในโลกไม่ เ, เวลาไม้หลงเวลาที่จะได้ยินพระสัตธรรมมีไม่มากนะะักหรอกมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าที่สุด เ้าเวลาเราใช้เวลานในการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นตรงนั้นก็มีค่าเอาเวลาไปทิ้งหรือว่ายิ่งแยกว่านั้นปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไปเรื่อยๆเวลานั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันทำลายตัวเราเองด้วยพระเจ้าสอนมีสติอยู่เห็นความจริงอยู่เนี่ย แม้แต่คืนเดียวนะคว่าราตรีเดียวก็พึงชมใช่ไหมบางทีราตรีนั่นก็คือวันหนึ่งนั่นแหละไม่ใช่ว่ากลางคืนมีชีวิตวันเดียวก็น่าชมกว่าคนอายุ100ร้อยปีไม่มีศีลไม่มีธรรมคนร้อยปีไม่มีศีลไม่มีธรรมชีวิตขัดทุนเรามีสติมีปัญญาอยู่กับตัวหนึ่งวันก็คือกำไรแล้ว ทำกำไรได้พระพุทธเจ้าชมกำไรของเราก็คือคุณงามความดียันเราพยายามพัฒนาตัวเองนะสำรวจตัวเองดูอกุศลอะไรยังไม่ได้ละกุศลอะไรยังไม่ได้เจริญสำรวจเนาะบินอยู่ชนต้องดูด้วยตัวเองไม่ใช่ไปถามคนอื่นพวกเราเดี๋ยวนี้ยังเข้มแข็งขึ้นนะ พวกลกศิษยรุ่นก่อนๆของหลวงพ่อเนะชอบมาถามว่ามีกิเลสอะไรบ้างฟังแล้วไร้สาระมากเลยมันต้องรู้ด้วยตัวเองต้องรู้ต้องเห็นเอาเองเนี่ยจะไปสู้กิเลสยังไงเที่ยวถามคนอื่นเขาดูของเรานะสำรวจอย่างที่มันเป็นจริงๆใการปฏิบัติจะไม่ยากเลยถ้าเมื่อไรอกุศล ลดน้อยถอยลงนะก็ดีเมื่อไหร่กุศลเจริญขึ้นเมื่อนั้นดะีก็สํารวจเนาะหกุศลอะไรยังไม่ละก็ลเนะเสียกุศลอะไรยังไม่ได้ทําก็ทำเสียนี่ก็ดีนะชีวิตเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆในโลกมันหลอกลวงให้เราหลงสนุกสนานเพลิดเพลิน เอาอะไรมาล่อเราถูเอารูปมาล่ อ, เ, อเสียงมาล่อเอากลิ่นมาล่ อ, อรสมาล่อเอาสัมผัสมาหลอกล่อเราไม่มีอะไรเลยของซ้ำซากนะเราก็โดนมันหลอกได้ได้ถ้าเรามีสติมีปัญญานะค่อยรู้เท่าทันตาเห็นรูปจิตจินดีขึ้นมารู้ทันจิตจินร้ายขึ้นมารู้ทันรู้ทันจิตใจของเราก็มาหลอกมาล่อเราไม่ได้ เอารูปมาหลอกเราไม่ได้หลอกให้เราเป็นยังไงเราให้เรายินดีหลอกให้เรายินร้ายยินดีก็ยึดถือยินร้ายก็ยึดถืองั้นถ้าเราตาเห็นรูปมีความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันมีความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงมีความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันมีความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสมีความยินดีรู้ทันมีความยินร้ายรู้ทัน ใจคิดนึกปรุงแต่งเช่นบางวันใจของเราสบายโปร่งทำสมาธิมีใจสว่างสวายเบาแล้วก็แอ บ, บยินดีให้รู้ทันถ้าภาวนาจนใจสว่างสบายมีความสุขเกิดขึ้นยินดีไม่รู้ทันใช้ไม่ได้ติดจะติดในความสุขที่มันหลอกล่อเราจยพาให้เราติดอยู่ในโลกของฉันสมบัติอะไรพวกนี้ ของความสุขความสงบติดอะไรก็ใช้ไม่ได้นะติดในกามรรูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสก็ใช้ไม่ได้พาเราเกิดในกามะพบกามภูมินะติดในความสุขความสงบของจิตใจของสมาธิพาเราไปเกิดในรูปประภูมิในรูปประภูมิปปมเป็นพรหมมีรูปบ้างพรหมไม่มีรูปบ้างไม่มีร่างกายก็ยังติดอยู่นั่นแหละ งั้นถ้าใจเรากระทบอารมณ์นะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันกระทบความสงบสุขความว่างยินดีพอใจให้รู้ทันถ้าพอใจแล้วไม่รู้ทันติดอารมณ์ไม่ดีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นไม่ชอบเลยเกลียดมันให้รู้ทันว่าเกลียดมันอย่างเวลามีเรื่องกลุ้มใจไม่ชอบใจหุนหงิดอยากให้มันหายไปเร็วๆรวนะรู้ทันใจที่อยากเนี่ยใจไม่เป็นกลางใจยินร้าย ให้รู้ทันสรุปง่ายๆการปฏิบัติของเรานะไม่มีหลอกสายกายสายจิตอะไรหรอกมีแต่ว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตนี่แหละให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นนิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้รู้ทัน จิตใจคิดนึกลุงแต่งแล้วก็เกิดความยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันเราจะไม่ถูกครอบงำถ้ารู้ไม่ทันก็จะถูกอารมณ์นั้นครอบงำออกครอบงำให้ไปชอบมันบ้างครอบงำให้เกลียดมันบ้างเราชอบอะไรใจเราก็เข้าไปก่อดนั้นนะนะเราเกลียดอะไรใจเราเข้าไปก่อดนนะั้นสังเกตไหมถ้าเวลาเราโกรธใครสครักคนเราจะคิดถึงบ่อยๆหม เวลาเรารักใครสักคนเราก็คิดถึงบ่อยๆไหมถ้าไม่ได้รักไม่ได้เกลียดอย่างเรานั่งรถไปตามถนนเห็นคนจํานวนมากเราไม่ได้รักไม่ได้เกลียดเห็นแล้วผ่านเลยไม่มีนัยยะอะไรกับจิตใจของเราถ้ารักขึ้นมานะใจก็จะวิ่งเข้าไปจับเกลียดก็ใจก็วิ่งไปจับนะอย่างถ้าเราเกลียดใครสักคนนะในที่ทํางานเราถ้าเราเกลียใครสักคนเราจะคอยมองคนนี้เรื่อยๆคอยดูไม่ให้คลาดสายตาเลยดูไปก็ยิ่งเกลียดไปเรื่อยๆ ยิ่งชอบก็ติดนะไม่ชอบก็ติดนะก็เข้าไปเกาะเข้าไปยึดถือให้รู้ทันใจที่ยินดีรู้ทันใจที่ยินร้ายเอาไวนะ้การปฏิบัติก็ไม่ยากอะไรหรอกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติทำวก็คือการดัดแปลงจิตใจของเราจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบถ้าเป็นการดัดแปลง จิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทาให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบอันนี้คือสมถะกรรมฐานดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่เกิดไหมเกิดอีกยังเป็นว่ายตายเกิดอีกเราไม่ได้พาวนาเราดีเอาสุขเอาสงบอะไรนะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงความจริงสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะสิ่งทั้งหลายทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจอยากนี่พอเรายินดีเราก็อยากอ ย, ากอยาก่างนี้ยินร้ายเราก็อยากอย่างนี้ของมันไม่เป็นไปตามใจอยากมันอยากที่ไรทุกๆุ ท, ทีเลยความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยนี่เราคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆนะไม่มีอะไรหรอกไม่ยากอะไรเท่าไหร่คนทั่วๆไปจะรู้ทันใจของตัวเองก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้ อย่างใจเราพอใจรู้จักไหมความพอใจความไม่พอใจรู้จักไหมใครๆก็รู้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในใจเราเราไม่รู้เราไม่ดูนั่นแหละเราไม่รู้เราไม่เห็นยั้นเราพยายามนะค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยดูอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ดัดแปลงเขาไม่ใช่มุ่งทำจิต ที่ไม่ดีให้ดีทําจิตที่ทุกข์ให้สุขนะจิตที่ไม่สงบทําให้สงบเพนั้นมุ่งดัดแปลงก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีเลิศหรอกถ้าเราเห็นความจริงของมันได้ถึงจะดีเลิศถ้าเห็นความจริงได้เราจะเบื่อหน่ายคลายกำนัดคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นได้ไม่เห็นความจริงนะไปดัดแปลงมันสําเร็จก็จะสําคัญมั่นหมายกลายเป็นมิจฉาที่เิียา ง, ง่ายๆเลยถ้าสติปัญญาไม่พอ เห็นพวกที่ทำสมาธิเก่งๆนั่นกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจำนวนมากเลยจิตไม่เที่ยงก็ว่าจิตเที่ยงนะจิตเป็นตัวทุกข์ก็ว่าจิตเป็นตัวสุขจิตบังคับไม่ได้ก็รู้สึกว่าบังคับไดนะ้ของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของบังคับไม่ได้เห็นว่าบังคับได้อันนี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสนะการหมายรู้อย่างผิดๆวิปล า, นะาสภาษาไทยแปลวิปลาสว่าบ้าเพาบ้าจริงๆนะ เห็นผิดเรียกเห็นของไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงการภาวนานะต้องดูดูกายอย่างที่กายมันเป็นดูใจอย่างที่ใจมันเป็นกายมันเป็นอะไรกายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของเป็นทุกข์กายเป็นของที่เราบังคับไม่ได้จริงสั่งมันไม่ได้ตลอดเวลาสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนก็นได้นะแต่ว่าเอาเข้าจริงถึงจุดหนึ่งก็สั่งไม่ได้ไม่ได้เชื่อฟังเราตลอดไป สั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายนะสัง่งมันไม่ได้จริงหรอกเลือกค่อยดูความเป็นจริงของกา ย, ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูความเป็นจริงของจิตจิตก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับจิตเป็นทุกข์หมายถึงว่าในขณะที่ยังไม่ทันจะดับเนะี่ยก็ถูกบีบคั้นที่จะให้ดับนะทนอยู่ไม่ได้อย่างจิตที่มีความสุข คนอยู่ได้ไม่นานเนะี่ยของไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงแหละถ้าเราดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปทําให้มันเที่ยงของที่ไม่เที่ยงเช่นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอเราไปทําสมาธินะก็สุขยาวไปเลยหรือว่าอุเบกขายาวไปเลยเลยรู้สึกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์นั่งภาวนานะสงบมีสมาธิขึ้นมาโอ้โหมีแต่ความสุข มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอะรยเงี้ยเลยรู้สึกตัวจิตนี่เป็นตัวสุขนะแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตไปยุ่งกับโลกข้างนอกจิตถึงจะทุกข์ถ้จิตอยู่โดยตัวของมันเองแล้วเป็นสุขนี่เป็นวิชชาทิฐิเป็นสัญญาวิปรรัสสนหมายรู้ผิดๆ ด, ด้วยเป็นความวิปรรัสสนาคลาดเคลื่อนของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงอย่างจิตของเรานะั้นท่านโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไปดูรูปเดี๋ยวไปฟังเสียงเดี๋ยวไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปคิดนึกทางใจรู้สึกไหมยังหมุนอยู่อย่างนี้เนี่ยแสดงความไม่เที่ยงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงเราไปติดสมาธิไปนั่งสมาธินะก็สงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นนะนานอยู่ได้เป็นวันวันรู้สึกว่จิตเที่ยงถ้าฝึกดีแล้วจิตจะเที่ยงเนี่ยนี่มชาทิฏฐินะ สมาธิเราทำนะแต่ทำเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงจิตใจมีเรี่ยวมีแรงพอสมควรแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาคือมาดูความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างบางคนนะชำนาญในสมาธิจิตฟุ้งซ่านนะกำหนดพุบสงบเลย <c oughs> กาหนดพุ๊บเรจะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้นะ <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วบังคับไม่ได้ ถ้าจิตบังคับได้ลองสั่งมันสิให้ดีตลอดให้สุขตลอดเนะืห้ามทุกข์ห้ามไม่ได้เลยนะงั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มุ่งเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงไม่ได้มุ่งเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงไม่ได้มุ่งเอาสงบเพราะสงบไม่เที่ยงแต่มุ่งให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเบื่อหน่านยะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่าย เพราะเห็นตามความเป็นจริงชึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วฟลมอาจารย์คือการประพฤติป ฏ, ฏิบัติธรรมนะทำเสร็จแล้วกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกทํางานนั้นเสร็จงันหยู่ที่เห็นความจริงให้ได้นะดูความจริงของไกลให้ได้ดูความจริงของใจให้ได้ตัวได้แล้วจะเบื่อมันน่าเบื่อไหมล่ะ ร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระรู้สึกไหมร่างกายเต็มไปด้วยภาระน่าเบื่อนะตอนเด็กๆไม่เบื่อยังหนุ่มยังสาวไม่เบื่อนะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าแข็งแรงกแก่ขึ้นมานะนั่งผิดท่าก็ยอกแล้วไม่ต้องทำอะไรบางทีก็เมื่อยไปทั้งตัวก็ได้นะเหมือนคนมาตื๊บม า, าอะไรเงี้ยจริงสังขารร่างกายมันแก่ลงเคล็ดขัดยอกนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรนะแลเห็นเลยโอ้ไม่ดี วันที่ป่วยเนยะเยอะกว่าวันที่ไม่ป่วยนะเนี่แก่ๆแล้วนะสังขารร่างกายเนี่ยมันปิดบังตัวเองไม่ไหวยังหนุ่มยังสาวอยู่นะมันยังปิดบังได้มันหลอกลวงเราได้ง่ายแต่ว่าพอเริ่มชำรุดสุดโทรมพอแก่นะตาาก็ชักจะมองไม่เห็นเป็นต้อเป็นอะไรคนโบราณเป็นต้อมากๆก็ตาบอดไปเลย ตาบอดเมื่อแก่เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่อะไรย่างเงี้ยหูก็ตึงในร่างกายนะพอแก่ขึ้นของที่ควรตึงก็หย่อนนะของที่ควรหย่อนก็ตึง<อ>กับหัวกับหางไวหมดเลยนะเนี่ยความจริงของชีวิตนะพวกเรากําลังได้อีกหนึ่งแต้มแล้วนะพอถึงอีกหนึ่งปีแล้วนะกำลังใกล้ภาวะที่หลวงพ่อ บ, บอกเนี่ยเข้าไปทุกทีทุก ท, ท, กทีทุกทีแล้ว แต่ไปมีตาก็มองไม่ค่อยเห็นมีหูก็ฟังไม่ค่อยได้ยินนะมีร่างกายมีแขนมีขาก็เคลื่อนไหวได้ช้าลงช้าลงเนี่ยสิ่งที่กําลังรอเราอยู่วันข้างหน้านะ ม, มาสุขสรรปีใหม่อะไรก็ตามเะแต่สิ่งนี้กําลังรออยู่ข้างหน้านะถ้าไม่ตายซะ ก, ก่อนถ้าไม่ตายซะ ก, ก่อนแค่จ ะ, จะได้แก่งักๆให้เห็นเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเพราะฉะนั้นมาเผชิญความจริงอย่าไปหลอกตัวเอง ดูความจริงไปเรื่อยดูลงไปในกายดูลงไปในใจดูจิต ด, ดูใจก็ไม่ยากหรอกดูอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าตาเห็นรูปจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งจิตเกิดความยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันดูอยู่แค่นี้ก็พอละดูได้แค่นี้ก็เหลือเฟือละ กรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้เยอะอะไรหรอกธรรมะที่พุทธเจ้าสอนตําราบอก 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์เพราะท่านสอนคนจํานวนมากจริตนิสัยคนแตกต่างกันมากมายแต่ธรรมะสาหรับคนคนหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพื่อความพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงไม่มากหรอกให้เราค่อยรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะยินดียินร้ายคอยรู้ทันไปด้วย ถ้าไม่รู้ทันมันจะปรุงแต่งถ้ารู้ทันมันก็ไม่ปรุงแต่งมันจบลงที่การกระทบอารมณนะ์ตามมองเห็นสาวงามมาจิตยินดีพอใจนะถ้ารู้ไม่ทันบางทีเดินตามเข้าไปลืมไปว่าเมียรออยู่ที่บ้านอย่างงี้ยนมะันหลงไปถ้าเห็นสาวงามเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบนะี่ยความชอบขาดไปถ้าตามมองเห็นรูปก็งั้นๆเนะ่ย ผู้หญิงแต่ละคนที่ว่าสวยๆนะในสายตาพ ร, าารนะอรหันต์พระโมคคัลลาท่านบอกวนะ่าสาวงามน้องหญิงเธอก็เหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9ก้ารูมีรูรั่วเล็กๆอยู่นับไม่ถ้วนทั่วตัวเลยมีของโศโครกไหลออกมาเป็นนิดนะดูสิความภูมิใจในความสวยความงามลดลงไปแล้วรู้สึกไหม เับมันนึกถึงความจริงเขานะไม่สวยไม่งามไม่ใช่ของดีของวิเศษเท่าไรหรอกอย่าหลงมากนะหลงมากทุกมากนะไม่รู้จักออกจากทุก์ได้เลยเวียนจมอยู่ในทุกขพระพุทธเจ้านั้นมีพระกรุณามากท่านพ้นทุกไปแล้วท่านก็นยังสงสารพวกเราอยากให้เราพ้นทุกตามท่านอุตส่าห์สอน ตรัสรูใหม่ๆเนี่ยท่านเห็นในธรรมะของท่านประณีตมากธรรมะของท่านสวนกระแสของชาวโลกที่ชาวโลกเขาเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของบังคับไม่ได้ว่าเป็นของตัวเองเท่านจะต้องมาสอนเพื่อให้เขาเห็นความจริงสวนทางของชาวโลกเขาเลยที่แรกท่านก็ท้อใจยากเหลือเกินที่จะสอนคงจะสอนไม่ไหวนะ ถ้าท่านบนรรลุพลระอรหันต์แล้วท่านเสวยวิมุตติสุขของท่านนะสบายไม่เหนื่อยในตำราก็บอกว่าพระอะไรสหัมบดีพรหมสหัมปติมารัตนาท่านผลปติกความว่าก็คือความกรุณาในใจของท่านแต่ครูบาอาจารย์เคยเล่านะว่าตอนที่ทำได้แล้วเนี่ย ใจท้อถอยที่จะสอนเหมือนกันทุกองอะ่ะตอนที่ทําได้นี่จะท้อถอยในการสอนรู้สึกยากเหลือเกินเพราะกว่าจะกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะเลือดตาแทบกระเด็นเลยกว่าที่ท่านจะค้นคว้าหาทางขึ้นมางั้นท่านรู้สึกท้อใจที่จะสอนแต่พอผ่านช่วงเวลานี้ไปหน่อยหนึ่งนะในใจก็จะนึกขึ้นได้ ทำไมเราก็ผ่านมาได้คนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันเราไม่ได้พิเศษอะไรกับใครเขาหรอกะเราอดทนหน่อยพักเพียรพยายามทําเอาคนอื่นถ้าเขาอดทนเขาภาคเพียรเอานนะั้เขาก็ได้เหมือนกัน mm. ท่านก็กลับมาสอนไม่ต้องมีเทพลมอะไรมาอัญเชิญให้สอนหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านเราล่าของพระพุทธเจ้าท่านในตาําราเพราะว่าเท้าสหัมปติคนไทยเรียกสหัมบดี คนไทยจะเรียกชื่อภาษาบัติเพียเพ้ยนๆเยอะนะสังเกตใจนะตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดใจทำอะไรใจก็ไปคิดความรู้สึกในใจของเราขณะนี้แต่ละคนเป็นยังไงดูวอกไหมความรู้สึกในใจของตัวเองไม่ต้องจ้องนะความรู้สึกก็คือความรู้สึกก็แค่รู้สึกเราไม่ต้องไปจ้องว่าใจเราเป็นยังไง อย่าไปจ้องใจแค่ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแค่นั้นแหละเรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ถลําไปจ้องจิตนะรู้ไปสบายๆมีความสุขรู้ทันมีความทุกข์รู้ทันโลภโกรธห ล, ลงรู้ทันอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อนะยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันค่อฝึกใค่อฝึกไปนะไม่นานหรอกบางคนใช้เวลาไม่มากนะ ครู บ, บาอาจารย์มีองค์ท่านบวชสามพันศาอางท่านพ้นทุกหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่ดูลบวชหลายพันศากวจะพน้นเพราะว่าท่านไม่มีอาจารย์กว่าจะเจอหลวงปู่มั่นนะก็บวชมาหลายพันศาละถ้ารู้หลักนะการปฏิบัติใช้เวลาไม่มากหรอกยอมสละ ความสนุกสนานเพลิดเพลินซะหน่อยตั้งอกตั้งใจแรกๆยากนิดหน่อยแรกๆยากนิดหน่อยเดีพอสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดปัญญาอัตโนมัติเกิดจะรู้เลยเราไม่ต้องทําอะไรหรอกจิตเขาทำของเขาเองแลจิตเคยชินที่จะมีสติขึ้นมาสติก็เกิดเองละจิตเคยชินจะมีสมาธิสมาธิก็เกิดเองละจิตเคยชินจะเดินปัญญามันก็เดินปัญญาของมันเองไม่ต้องเคี่ยวเข็น ใหม่ๆอย่างพวกเรานะจิตเราไม่เคยชินที่จะมีสติมันเคยชินจะหลงจิตเราไม่เคยชินที่จะตั้งมั่นมันเคยชินที่จะไหลไหลไปโน้นไหลไปนี้จิตมันไม่เคยชินแล้วเราก็ค่อยๆฝึกให้ฝึกให้มีสติฝึกให้ใจตั้งมั่นฝึกดูความจริงของกายของใจเบื้องต้นก็ลาบากนิดนึงต้องตั้งใจทำเอา ช่วงแรกก็เหนื่อยนิดหน่อยใครขี่จักรยานเป็นในห้องนี้นึก อ, ออกไหมหัดทีแรกอะ่ะยากไหมใครขี่จักรยานแล้วปล่อยมือได้บ้างนี่เห็นไหมโอ้ก่ อ, อนจะปล่อยมือได้อะ่ะเห็นไหมล้มเคยล้มไหม้า <c oughs> <c oughs> เคยล้มลุกลุกลานนะแค่ขี่จักรยานนะหัดว่ายน้ําใครว่ายน้ําเป็นบ้างหัดทีแรกสําลักบ้างไหม หรือไหวยลงน้าก็ไหว้ปลอเลยแรกแรก็ยากเนาะแรกๆก็ยาก ก, ก็กเคยชินเข้าแล้วไม่ยากใจของเราเนี่ยธรรมชาติของจิตนจะไหลไปตามความเคยชินเคยชินจะหลงมันก็หลงเก่งไม่มีสติหรอกเคยชินที่จะไหลไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันก็ไหลบ่อยไม่มีสมาธิหรอกเคยชินที่จะหลงผิดนะว่านี่ตัวเรานี่ของเราอะไร มันก็ไม่มีปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นก็ต้องหัดเอาวิธีหัดนะเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนนะถ้าพวกเราถือศีลหาได้แล้วสมาธิเราจะเกิดง่ายถ้าเราไม่มีศีลหาเราจะภาวนายากมากเลยองคุลิมานฆ่าคนตั้งพันใช่ไหมไม่มีศีลทำไมบรรลุพระอาหารหันตบรรลุธรรมะได้ก็ตอนหลังท่านถือศีลเนี่ย ท่านไม่ได้ฆ่าคนแล้วนี่ท่านวางศัตรูอาวุธแล้วเคยทำผิดศีลมาก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกพวกเราถึงยัเคยทำผิดศีลยังไม่เท่าพระองค์คุลิมานเลยใช่ไหมใครฆ่าคนได้พันหนึ่งคนบ้างหนึ่งพันหนึ่งคนมีไหมยังไม่มีใช่ไหมพระองค์คุลิมานทำผิดศีลมามากมายนะแต่ว่ากลับใจได้ก็กลายเป็นคนมีศีลขึ้นมาส่วนวิบากของการฆ่าคนก็ต้องรับนะไปไหนคนก็ก้อนหินกว้างเอาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ตกนรกเพราะว่าท่านไม่เกิดอีกเรารักษาศีล น, นะแรกๆอาจจะยากแป้มเดียวขาดสตินิดเดียวก็ผิดศีลละ mm hmm. ก็ค่อยๆสังเกตใจของเราเรื่อยๆนะมีสติค่อยๆฝึกขึ้นมามีสติค่อยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจค่อยรู้บ่อยๆนะฝึกไปอย่างนี้แหลพอกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันศนะีลอัตโนมัติจะเกิด คนทำผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงําจิตให้กิเลสครอบงําจิตไม่ได้ไม่ทําผิดศีลหรอกนะแล้วใครรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธครอบงําไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ทําร้ายทรัพย์สินใครไม่ผิดรูปผิดเมียใครด้วยความเกลียดชงังแกล้งเขาอะไรเงี้ยไม่มีนะแล้วค่มีสติรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดที่ใจก็รู้รู้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรค่อยๆหัดรู้ไปเดี๋ยวศีลก็เกิด แลฝึกสมาธิทําไงฝึกสมาธิก็ต้องรู้ทันศัตรูของสมาธิกามเป็นศัตรูของสมาธิรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยจิตที่อาศัยออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือจิตที่ไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทำให้ใจฟุ้งซ่านอาศัยสติรู้ทันจิตวิ่งไปทางตารู้ทันไปหลงรูปแล้วหลงไปฟังเสียงรู้ทันหลงไปดมกลิ่นรู้ทันนะ เนี่อาศัยสติรู้ทันจิตอีกละมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตจะได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่วิ่งไปหาอารมณ์ต่างๆก็ได้สมาธิมัน <c oughs> ขึ้นสมาธิขึ้นมาเองไม่ต้องบังคับจิตนะถ้าบังคับจิตไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงจิตเครียดแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่วิ่งแส่ใส่ออกไปหาอารมณ์นะจิตจะสงบเองจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมีความสุขนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเลย ถ้าดูเฉยๆยากก็มีเครื่องอยู่พุโทโธพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้ดูลมหายใจเนี่ยหนีไปคิดบ้างหนีไปเพ่งลมหายใจบ้างดูท้องพองยุบหนีไปคิดบ้างหนีไปเพ่งท้องบ้างรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดไหลไปเพ่งรู้ทันสมาธิจะเกิดเองไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดหรมันเกิดเองเลยไม่ยากเลย พอจิตเรามีสมาธินะจิตตั้งมั่นแล้วก็มาหัดเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาขั้นต้นต้องแยกรูปแยกนามค่อยๆสังเกตไฝร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนแสดงหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้จิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เป็นคนแสดง หรือกิเลสต่างๆความรลบความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูความรลบความโกรธความหลงมันก็แสดงตัวของมันขึ้นมาแสดงบทบาทจิตเป็นคนดูดูละครเหมือนคนดูละครเนี่ยถ้าจิตหลังเรามีสมาธิที่ถูกต้องนันจิตจะกลายเป็นคนดูไปเป็นคนดูละครมันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงร่างกายก็จะแสดงความจริงให้จิตดูเพราะจิตเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนที่ไปหลง ความสุขความทุกข์ก็จะแสดงความจริงให้จิตดูกุศลอกุศลก็แสดงความจริงให้จิตดูกระทั่ um, ทงตัวจิตเองก็แสดงความจริงให้จิตดูเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังแสดงความจริงความจริงคืออะไรคือความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยง ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเนะนี่ยค่ยดูความจริงไปร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ปวดนอนอยู่ก็เมื่อยอย่างนี้นะตลอดเวลาจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบคั้นแต่ว่าดูยากหน่อยนะต้องทรงชานถึงจุดหนึ่งถึงจะเห็นนะจิตใจเนี่ยดูอนิจจังอนัตตาง่ายร่างกายดูดทุกข์ขังง่ายเนะี่ยดูไป ในกายในใจเรื่อยไปสุดท้ายก็เห็นเลหาของมีสาระไม่ได้เลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาสาระไม่ได้หาสาระไม่ได้มันก็ไม่ยึดถือเลิกยึดถือเลิกยึดถือก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วนะเพราะเราทุกข์ทุกวันนี้ก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจนี้แหละะเอาไปกินข้าวไปไม่งั้นเดี๋ยวจะทุกข์มากก็ทุกข์มากหิวข้าวยิ่มาโมโหลงพ่ออีก <c oughs> แล้วทุกข์ทางใจยิ่งพวกที่นั่งอยู่ใกล้ๆอาหารนะ มันจะหอมหอมนะแต่พออิ่มแล้วจะได้กลิ่นแล้วจะไม่อยากได้กลิ่นเลยเป็นปฏิกูล